สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิยพิบาลนะครับพี่น้องครับในช้าวันนี้เราอยู่ใน20กฎทองคากฎข้อที่11นะครับในประเด็นที่10จากหนังสือ20กฎทองคําของศาสนาอาจารย์ดรฟิลิปเทงซึ่งแปลโดยท่านศาสนาอาจารย์สุพิธวิจักโยธินครับข้อที่ส0หรือประเด็นที่10นี้ ท่านเขียนไว้อย่างนี้ครับว่าเท้าต้องก้าวเหยียบลงไปในแม่น้ําจอแดนก่อนแล้วน้ําจึงจะแยกออกกฎข้อที่11นี้คือกฎแห่งการอะไรต้องมาก่อนและอะไรมาทีหลังนะครับประเด็นที่10ในวันนี้ของเราก็คือเท้าต้องเหยียบลงไปแม่น้ําจอแดนก่อนแล้วน้ําจึงจะแยกออกพี่น้องครับชนชาติอิสราเอลนั้นข้ามแม่น้ําจอแดน ปโรหิตก็แบกหีบพันธสัญญาในขณะที่พวกเขานั้นเดินลงไปแม่น้ำจอแดนนั้นแม่น้ำก็หยุดไหลครับและพวกเขาก็ข้ามแม่น้ำไปได้เข้าสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาพี่น้องครับนี่คือก้าวแห่งความเชื่อการขานรับจากพระเจ้าและพระเจ้าทรงสำแดงการอศัศจรรย์พี่น้องครับฮัตสันเทนเลอร์ มีเงินเหลืออยู่ในธนาคารแค่สิบปอนด์เท่านั้นแต่ท่านมีความเชื่อเก้าเข้าสู่การประกาศที่ประเทศจีนเหมือนเก้าลงไปในเทะเลแดงพระเจ้าได้เปิดทางเดินให้กับท่านตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พี่น้องหลายท่านอาจจะไม่รู้จักฮัสสันเทเลอร์นะครับท่านฮัตสันเทเลอร์นั้นคือใครท่านเป็นมิชรี ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งประกาศข่าวประเสริฐในประเทศจีนและเป็นผู้ที่ก่อตั้งคณะมิช Ch ชัน China Inland Mission Ch ซึ่งปัจจุบันนั้นก็คือเป็นองค์กรมิชชันนาร Mid ีที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับเรียกว่า OMF OMF มาจากคำว่า o v e r s e a Missionary Fellowship พี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าชีวิตของฮัสสันเทเลอร์นั้นท่านมีความเชื่อ มากขนาดไหนถึงได้ว่ามีเงิน10ปอนในธนาคารท่านก็เริ่มต้นที่จะก้าวเข้าไปสู่ในประเทศจีนก่อนพระเจ้าก็เปิดทางจากเงิน10ปอนนี่เองเรามาดูครับว่าคําพยานของฮัตชันเทนเลอร์ท่านเขียนอย่างนี้ผมไม่มีวันลืมวันนั้นได้คุณแม่สุดที่รักของผมไม่อยู่บ้านท่านเดินทางไปเยี่ยมญาติอย่างแด่นไกลตอนบ่ายผมเข้าไปในห้องสมุดของพ่อเพื่อหาหนังสืออ่านให้สบายใจ ในวันหยุดแตม่มีเล่มไหนถูกใจผมจึงหยิบใบปลิวเกี่ยวกับภักดีทีคุณขึ้นมาดูโดยบอกกับตัวเองว่าตอนต้นเป็นเรื่องสนุกสนุกตอนท้ายก็คงสรุปคติสอนใจหรือเทศนาเราอ่านเฉพาะช่วงแรกก็แล้วกันผมนั่งลงอ่านแบบไม่ใส่ใจเท่าไหร่คิดว่าความรอดมีจริงๆก็คงไม่ใช่ผมหรอกผมไม่รู้ว่า ในเวลาเดียวกันแม่ผมซึ่งอยู่ห่างไกลถึงร้อยกิโลเมตรลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารตอนเที่ยงด้วยความหนักใจต่อลูกชายคนนี้ก็คือผมเนี่ยอย่างมากในฐานะที่จะเป็นแขกไม่มีงานอะไรต้องทำมากมายในบ้านหลังนั้นท่านจึงขึ้นไปที่ห้องปิดประตูใสก่กอนตั้งใจจะไม่ออกจากห้องนั้นจนกว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของท่านคุณแม่ผมนั้นคุกเข่าอ้อนวอนพระเจ้ายางหมดใจ เพื่อผมในที่สุดท่านก็อธิษฐานต่อไปอีกไม่ได้แต่พระเจ้าดลใจให้สรรเสริญพระองค์แทนเพราะว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานแล้วคือลูกชายคนเดียวของท่านได้บังเกิดใหม่แล้วขณะที่เขาอ่านใบปลิวเองอยู่ที่บ้านผมสะดุดใจประโยคที่ว่างานของพระเยซูสาเร็จแล้วทำไมคนเขียนถึงเขียนเช่นนั้นทันใดความสาเร็จ วาบเข้ามาในความคิดผมอะไรสำเร็จผมได้ตอบในบัตรเดียวกันว่าชำระนี่บาปครบถ้วนสำเร็จหมดแล้วไม่ใช่บาปของผมคนเดียวแต่เป็นบาปของคนทั้งโลกด้วยพี่น้องครับนี่คือคำพยานของฮัสสันเทเลอร์ที่ท่านกลับใจเมื่ออ่านใบปลิวในห้องสมุดของพ่อเขามีแม่ที่ รักการอธิษฐานรักพระเจ้าและอธิษฐานมากที่เดียวสำหรับการที่พระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกชายคนเดียวของคุณแม่นั่นคือฮัตสันเทเลอร์ครับพี่น้องฮัตสันเทเลอร์พี่น้องจับชื่อนี้ดีๆนะครับเป็นบนรรพชนแห่งความเชื่อในยุคใหม่ครับเมื่อประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วนี่เองท่านเป็นผู้ที่เข้าไปในประเทศจีนที่ลึกที่สุดเลยครับ ความยิงแล้วสมัยก่อนนั้นมิชิรีทั้งหลายได้เข้าไปก็อยู่ชายฝั่งทะเลครับตั้งแต่ปักกิ่งลงมาเรื่อยจนถึงกวางตุง้งกวางเจาแต่ไม่ค่อยมีใครที่เข้าไปลึกๆในแผ่นดินจีนครับมีแต่ฮัตสันเทเลอร์เท่านั้นท่านฮัตสันเทเลอร์นั้นลงทุนถึงขนาดไว้ผมผูกเปียแบบคนจีนครับเพื่อที่จะอ d เดนติฟายหรือเพื่อที่จะแสดงตัวเอง และทําตัวให้เหมือนกับท้องถิ่นคนจีนทั้งหลายพี่น้องครับนั่นคือชีวิตของอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งที่เป็นผู้ที่สละชีวิตเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตของท่านนั้นก็ได้ชักนามิชชเนอรีอีกมากมายซึ่งเป็นมิชชเนอรียุคใหม่ครับก็เดินทางเข้ามาในประเทศจีนและเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันและเป็นผู้ที่ก่อตั้งโรงพยาบาลมโนพรม ที่อำเภอมนณฑรมจังหวัดชัยนาทและยังมีพันธกิจมากมายอีกหลายอย่างในประเทศไทยพี่น้องครับหากไม่มีฮัสสันเทนเลอร์และความเชื่อของท่านนั้นใครเล่าครับจะเข้าไปประกาศในประเทศจีนพี่น้องครับเราจะต้องก้าวเหยียบน้ําในแม่น้ําจอแดนก่อนครับแล้วแม่น้ําจอแดนจึงจะค่อยแยกออกอะไรก่อนอะไรมาทีหลังครับ ก้าวแห่งความเชื่อต้องมาก่อนและการอศัศจรรย์ก็จะเกิดตามมาการเลี้ยงดูของพระเจ้าก็จะเกิดตามมาพระเจ้าเลี้ยงดู CIM China Inland Mission อย่างไรพระเจ้าก็จะเลี้ยงดู OMF อย่างนั้นพระเจ้าก็จะเลี้ยงดูพวกเราทั้งหลายทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์ที่ก้าวออกมาด้วยความเชื่อเมื่อเราเก้าวออกมาด้วยความเชื่อภานกิจของพระเจ้าสาเร็จครับแต่ลงจนก้าวก่อน พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมเมื่อครั้งที่ท่านอยู่ที่เมืองเอออยู่ด้วยความสะดวกสบายกับครอบครัวของท่านพระเจ้าเรียกแต่ละก้าวแต่ละก้าวพระเจ้าก็เปิดทางทรงนำในแต่ละย่างก้าวของชีวิตของอับราฮัมย้ายจากเมืองเออมาที่คณาอันโดยการทรงนำของพระเจ้าไม่ใช่เป็นของง่ายนะครับนั่นคือ เส้นทางเดินของอับราฮัมเส้นทางเดินฝ่ายชีวิตจิตวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันครับก็ไม่ใช่เป็นของง่ายต้องก้าวเดินไปด้วยความเชื่อต้องก้าวแรกด้วยความเชื่อก่อนครับแม่น้ําจอแดนถึงจะเปิดอิสราเอลซึ่งนําโดยโมเสสอยู่ในถิ่นทรกันดารพวกเขาก่อนจะข้ามทะเลแดงก็ต้องเอาเท้าเหยียบน้ําก่อนครับเหยียบทะเลก่อนครับทะเลก็เปิดขึ้นมา พี่นับในชีวิตของเราทั้งหลายสำหรับคนที่เขาได้รับพระพรมากพี่น้องครับลองถามดูสิครับแต่ละท่านแต่ละคนเขาจะต้องก้าวด้วยความเชื่อก่อนครับรอให้สถานการณ์ทุกอย่างพร้อมร้อยสิ่งแวดล้อมพร้อมร้อยทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยก้าวไปอันนั้นไม่ได้เรียกว่าก้าวแห่งความเชื่อครับพี่น้องครับหลายๆที่หลายๆแห่งจะสร้างตึกสร้างโบสถ์พี่น้องครับ ก้าวด้วยความเชื่อครับและพระเจ้าจะทรงนําแล้วท่านจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าหลายหลายท่านกําลังคิดสองจิตสองใจว่าจะรับใช้ดีหรือไม่รับใช้ดีจะอยู่เต็มเวลาหรือไม่อยู่เต็มเวลาดีพี่น้องครับก้าวออกมาด้วยความเชื่อถ้าเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าแล้วพี่น้องไม่ต้องห่วงสิ่งที่อยู่ข้างหลังพระเจ้าเตรียมให้ทุกอย่างครับขอพระเจ้าทรงนําและเปิดใจของเรา ที่จะมีความเชื่อและก้าวออกมาแสดงออกมาด้วยการก้าวออกมาตัดสินใจที่จะเดินอยู่ในทางของพระเจ้าพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการและเพื่อที่เราเองนั่นจะได้เข้าไปสู่อาณาจักรยิ่งใหญ่แห่งการอัศจรรย์อยู่ในอนาณาจักรยิ่งใหญ่แห่งการการเลี้ยงดูของพระเจ้าอยู่ในอนาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งการที่เราจะไว้วางใจพระเจ้า พี่น้องจะเห็นถึงหลายสิ่งหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปครับในอนาณาจักรนี้ก็คืออาณาจักรแห่งความเชื่อจะเป็นอนาณาจักรแห่งการอัศจรรย์อาณาจักรแห่งการทรงนำอนาณาจักรที่เราหลายครั้งคิดไม่ถึงอาเมน